ผมบาดซแล้วว่าบาดกไหาหาหาความทุกดวงดำนี่เออเดี๋ยวเขาไ้เทศโรธนี่ท่าก็ไปหวอไปวางนะไวังนี่ทก็ไปแล้ทาวลมาทานข้าวสี่โมงเนนี่ก็ลว่าวันนี้นะกูมาตวจไาทั้งหมดพระในทั้งหมดหลงพออธิบายเรื่องธรรม สวิบุสวิตบ์บสวิบุญน่ะอยู่ทางซ้ายทาขวาขอเราสวิตบุญอวิตบารอยู่ทางขาอยู่ทางซ้าเวลาบุงก็ย่ายเราเปิดบุญเนี่ยมันมีสวิตเปิดให้เป็นดวงใสเนี่ยเอบ่างนี้ไอ้ชายมันก็กดสวิตบารไอ้ชายก็จังไปก็มาอันนี้ว่าตอนแแล้วก็ออกกันมาโจรกันใหญ่เนี่ย ทั้งพระทัง้งเนรทังมุบาศกวาดิกาบอกโอมาอยู่ลวงพอ่อเองจ่านนี้เนี่ยก็ ม, มารู้สวิตคุณบุทุกแบาบวันนี้เองก็ตีมองตีมองยัออกมาทานข้าวแล้วมาทานข้าวต้องมีโจกจดย่งเนี้ยแหมนี่น้องโอหลวงพ่อเทพดีเลิศเอินบ่กเทพยังไง ล, ล่ะคะเล่าท่านเรานี่มันมีะวิตคุณบุญทขบาปนะไนะม่เถอะแหมขอบใจด้วย คนเล่าล um ือกันว่ามาอยู่ลุงพ่อหนึ่งยี่สิบปีสามสิบปียังไม่รู้ว่าสวิตซปุ่มสวิตบาบยังไงแหมวันนี้ลุงพ่อเทศแต่ผูก้กดสวิตซ์นี่มันอยู่ที่จิตเราใช่ไหมฮะผู้ที่เปิดสวิตซ์เนี่ยไม่อยู่คู่กันไงฮะแล้วใครใครเป็นคนเปิดใครเป็นคนเปิดเนี่ยบ้าแล้วนกว่ามันนึกลุงลุงพ่อเขาเปิดแค่วันนี้มันอยู่จิตวันนึกบาบบาบเขาต้องเปิดใช่ยังไงฮะเขเปิดเราจะนึกลึง แล้วบุนนะคะบุญก็เปิดใช่จะไปทำบุญยังไงก็ทำไปเรนึกจะนึกไ้ทำบาปเขาก็เปิดสวิปบาปพาไปลงหลงลงไหน <c oughs> ไผัสทหากันละไปฆ่ากันละอรอยนี้ใจนะคะใจเขเปิดสวิปเนี่ยสวิปถึงฆ่าเลยเาเปิดก็ก็ลายพาคนที่จะไปฆ่าคนนั่นเนี่ยแล <c oughs> ้วไปปนี้เขาเปิดเ้าไปปราบธรรมะจะพาไปหาผู้ีเจ้าาน ก็แล้วเท่าที่คุณยายทำวิชามานะครับเห็นว่าจุดไหนเป็นจุดสําคัญที่สุดในเรื่องของธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยครับจุดไหนมันสำคัญหลวงพ่อเนี่ยจุดสำคัญนี่แล้วก็ก็ตรองหุดนะครับผู้ใดไม่หยุดแล้วผู้นั้นไม่เห็นฐานพจนจุดนี้จุดสำคัญผู้ใดหยุดแล้วผู้นั้นจะเห็นทั้งดี้ัําชั่วทั้งไมดีทั้งไม่ชั่ว ก็หยุดก็แล้วลองแล้วนี้นะคะหยุดหยุดจะรู้อ่ะโ่อในท้องเรานี่มีสามเจ้าของนะคะเจ้าของฝ่ายดีอยู่ตางข่ายเจ้าของฝ่ายชั่วอยู่ทางฝ่ายไม่ดีไม่ชั่วอยู่ต่างสูงต่างตายน์ดีก็พระพุทธเจ้าไหลสิงแก้วฝ่ายไม่ดีไม่ชั่วไม่ดำไม่ขาว เป็นผู้เจ้า ม, ามาั่นการมายช่วยอยู่ทางซ้ายองคดัมนะคะอง์ดัมนี้ก็จามาประมูลนิกก็ฝ่ายธรรมนะคะจะลาบอกว่าประมูลนิกก็ฝ่ายธรรมดีฝ่ายธรรมดีก็ไม่ยอมมาประมูลนิกเท่าไรก็มีความสามารถต่างทานกันได้แล้วไม่ดีไม่ช่วยนี้เอาปเป็นพระนผู้เจ้าเหมือนการมุนก็ไม่ทำบา่าวก็ไม่ทําเป็นคนต่างๆ นี่ลวงพี่จ้าเป็นคนกลางๆอันนี้ก็ดูเหุ้บุคคลว่าฝ่ายดีฝ่าอธรรมทั้งไหนทำชนะธรรมชนะธรรมได้แล้วไม่ดีไม่ชัว่วก็มาเข้าอยู่ด้วยเกล้าไม่ดีแล้วก็ต้องมาเข้าอยู่ก็ฝ่ายชัวย่วเป็นลบสองหัวนี่อยู่ใ น, ะ น, น, นตัวเราเนี่นะนี่เห็นอ่ะในตัวเรานี่เนี่ยนะคะเขามาดูมาตั้งบบบนี้ดูมาเหละ ทั้งไหนทาชนะแล้วเขาก็อยู่ด้วยทั้งไหนไม่ชนะเขาก็มาอยู่ด้วยกรรมนุสเรามีไหมคะคุณก็ไม่ทำบากก็ไม่ทําอะยู่เป็น ก, กลางๆน่ะมันมีไหมล้วคะมีครับนเนี่ยต้องมีจับส่งก็เป็นผู้เจ้านะคะผู้เจ้านี่ดาก็ไม่ดามเา้าไม่เทาวขารู้หมดเวลาจะทําวิชาอย่างไงอย่างไงอย่างไางเีงย่รย ร, รู้เหตรู้ผลหมดทั้งไหนจะละเอียดทั้งไหนจะหยาบ องไหนจะออกหน้าองไหนจะตามหลังเนี่ยเขารู้หมดแล้ไม่ทราบว่าหลังจากคุณยายค่ะคือไม่ทราหลังจากหลวงพ่อมาหน้าผ้าไปแล้วนะครับคุณย<ะ>ายจะทําการค้นฟ้าเรื่องวิชาต่อก้าวหน้าไปอะไรยังไองอีกมั้งครับอี่หลวงพ่อเขาสั่งนล้วค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะไปยังไงอ่ะดังนี้ดีเขาสั่งนะ อ, อนอนอนยกหัววิชาใครนะหลังก็ไม่หวงหลวงพ่อ ยมีอีกอย่างเดียวที่มาลืมก็หมดความสามารถของลูกยั่ไม่ลืมลูกจะทำตามคําสั่งพ่อไปแล้วก็เออฉันไม่ได้แล้วตเรียน ว, วิชาใครนะเราต้องสอบไปบางรูปไม่หูอ่ะ น, นี่ก็ี่ไงไอันนี่ท่านก็เขา อ, ออกมาไปหมดเลยใช่นะคะวันทฉันจะนเซียเขาให้ฉันอยู่ที่ทางวิชาคนเดียวนะเนี่ยละเองก็ไปแก้กลางนู้นไว้หมด หมอก็มีอะไรก็มีเยอะเนี่ยอันนี้ก็ท่างขอบลังว่าัสองโมเช้าเลารักาโดนยเที่ยงแล้วทางก็มีนันอันนี้ก็คุณกีตาเขาบอกว่าไว้ตามแล้วหนอมาเออลงพ่อล right. ่ะยวคอยแล้วหนอแล้วมั่งเอาเข้าไปตาวิชานะวนชก็วางวางตกใจอ่ะมีสภาพแผบผมมาแล้วก็สําเร็จ วัดโพน่ะเวลาเ น, น, น, น, น, นี่ยชาวพุทธคอยทุ่มนาต่หลวหน้านี่เด็กก็เข้าไปแก้เข้าไปแก้ก็รู้อ๋อหลวงพ่อนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะคะหลวงพ่อนี่ยยังไม่มีอะไรมารับรองหอเลยหลวงพ่อไปเชิญมานะคะเชิญเชิญอ่าวันรังแก้วมากระสาดแก้ววันรังแก้วเครื่องเครื่อง เลรื่องที่ประดาปรดาที่ยามารับรองพ่อนะคะว่าซาแก้วเครื่องแก้วมาบพรน้อมหมดมาพร้องก็หยุดหยุดสอบเลยนะคะหยุดขอบหมดเอามาเพิ่มในธาสในทาไมเ่ไใบตาเอามาหมดไ่จัดเอามาหมดเลยตกใจไหมนะคะเล่าก็มาไปในธาตในทรรมเครื่องของที่ยามารับรองหลวงพ่อเขามาอยู่ในธาตในธรระมาพระน้อง ม, มาแล้ว นนี่ก็หยุดอดันก็โทมาเยอะเนี่ยทนก็อบอกว่าถ้านไปขอภักอีตรงหัวกระดาษเลหน่อยเถอะ น, นี่ก็หยุดทอดกาบภาพอันนี้จําเด็ดหลานที่ว่าโทจะเป็นภาษาละลานนะคระับเาบอกแหพวกเราเนี่ยมาถามมหาณาลงว่ะที่วันนี้มาจะาไหนมาหาาลงว่ายมน้อมอยู่ในโรงงานอเออคขามาแก้เดียว เ, ยวเนี่ะหยุดถอกันหมดอาท่านหยุดถอด ไปเท่า ม, มาเท่าน่อยไปไปเรียกเขมาหายหน่อยสิแกนี่ว่าแต่เขาาที่เขาที่ดูเหตุดูค ล, ลนะนะเรื่องนี้ฉันก็ไม่ได้ลอยใจฟังก็โก้ให้ยังไม่เชื่อเขาที่มีชั้นคนเดียวเนี่ยเขาก็ดูแล้วแล้วธรรมดาลูกศิษทั้งหมดไม่มีใครอย่างีชั้นคนเดียวเนี่ยายก็ น, นั่งนั่งดูเหตุผลเสียงร้องไห้แล้วล่วละร้องธอหลงพ่อไปแล้ว ล, ล่ะก็ดู มันก็ตามไปมีเครื่องมาพร้อหมดเครื่องสําหรับวันรุ่วีขท่านเอาเข้าไปไว้ในกลางอเข้าไปเใี้เขาไปด้วยก็มาหยุดดูดูว่างใสกรมรอบตวตนี่ว่างใสนี้ที่ๆๆๆๆทว่างใสนี้ทางไปทางมาของพระพุทธเจ้าและรหัสทหารต้องต้งผ่านีีจะมาที่ปัญญามุต อยู่ตนะของวงพ่อถึงจะลงมาทุกธได้เวลาจะกลับก็กับไปทางเดียวกันก็วันนิ้ผานโดยระหว่างนะคะสายกรมหลวงตัว น, นี้จะก็เ ห, เหตุผลดูเอตุผลว่าพระบุี่เจ้าวันอนิุภานนะคะลงมาลงมาอะไรางานรายงานตัวของพระองค์ว่าเมื่อต้นธาตุไปอยู่ในมนุษย์แล้วต้นธาตุจะตรงรับสั่ง พรองคลกานิหาธ์ให้ชาบรุเถรนะพระอท่านก็ทำได้แล้วท่านก็กลับไปไปชาขอท่านแล้วพระนิพพานเป็นข้มามารายงาน ว, ว่าวต้น่านการมนุษย์อยู่ในมนุษย์โอกแล้วาทา่านจิดการวันนิหาา์ให้ชาบรรลุเถนเหมือ น, ยนอย่างมหาเถรจากคุูอย่ง้น ท่านก็กลับไปทอเลยนะคะสองอย่างนี่ในธา่าทั้งหมดในทางทั้งหมดนะคะรายงานไปดูแล้ว่ะต้องค่าตุไปอยู่ในมนุษย์เนี่ยท่านดิได้เป็นผู้รับรองดูแลทั้งหมดนะคะนี่ต้องกลับไปรายงานแล้วอ่ะต้องธาตุมาให้บรรณาธิการมาให้มาลงมาในมนุษย์ให้แมาเปิด องธรรมกายให้มนุษย์เห็นก็ได้แล้วอ่ะพระนิพานเป็นก็ได้มนุษย์เห็นมีสองอย่างนี้นะคะนี่ก็ท้าวทิ้งเจ้ า, จากัลปัชชีราบารางงานบอกว่าเมื่อต้นชาติมนุษย์ได้อยู่ในมนุษย์โลกแล้วต้นชา่าให่ทำอะไรให้ดูแลให้ดูแลให้ดูแลไฟโลก เ้าก็ดูแลให้เรียบร้อยก็กลับไปแล้วว่ากีจจักรพัดนะคะจจักรพัดเนี่ยเราไดจับมหาจับอุดมมาพิษจับเนี่ยทำอะไรงานแล้วโขกตาวดหลงที่ชาติชัยแล้วก็ววกลับเรียกตาวทึงไในวิศิดเวิศิก็มารายงานเอาไว้แล้วว่าว่าต้องฆ่าไปอยู่ในวูกชะลอกะไรอยี้ฆ่าให้ทารถอาหารให้ทารถอาหารฆ่าปลา ที่จะเลียงพระเลียงเนเรเลี้ยงอุบาสอุบาติกานี้จะให้ให้เหลือเพื่อเขาไว้ให้ทำให้กระยายแกงนี้ะตต้องรู้จงหมดอนม น, นี้ก็ตาต้องรู้จงหมดข้า ว, ข, าวขุมเท่าไรก็ไม่ให้ไม่หมดอะไก่ติดตออะไรางานแล้วนะฮะนี่ก็ดาวถึงรอมรมสี่ชั้นลูกโตนี้หกชั้น ก็ไปรายงานตัวกับหลวงพ่าว่าต้นชาติอยู่ในบรรลุนี้ต้นชาติให้ค่อยดูแลอาห า, ากรการกินเครื่องใช้ไ้ม่สอยที่อยู่ที่ใสให้สมบูรณรีบูลก็ทํามาทุกอย่างเวลานี้ก็ได้เวลานี้นะคะเขาก็ยังไม่ทิ้งนะคะงรงสี่ชาตหรือรมทกชั้นนี้เขาก็ดูแลอาห า, ากรการกินที่อยู่ที่ใสให้สมบูรณรีบูลณ์ลกดทุกอย่างอะไรเงานนะคะ เขาก็ถับไปตับไปแล้วถับไปอยู่ในมนุษย์โลกนี่แหละนี่นะเรื่องนี้แล้วตรงนั้นสิคขาวพี่ก็ไปไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้ไม่รู้เรื่องแค่คนเดียวนี่แหละเรื่องนี้อ่ะยังไม่ใช่ไม่อยากกล้าเล่าไอ้กับคังก็เป็นเรื่องจริงนะคะเมือนยังก็ดูอ๋อมนุษย์ลาวที่เลิกกันในมนุษย์โลกนี้เรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องชนะเรื่องแพ้ต้องอะไรงานแกล ยาหนังสัตว์ใช่ไหล่ะคะแบบเดียวกันเลยยาหนังรายงานแบบเดียวกันนะคะอันเนี้ยนี่แล้วก็ดูนี่ฝ่ายดีนะคะฝายอาชางฝ่ายช่วก็คอยลงพันนะคะจากก็พลาก็ต้มายิมกันเนี่ยเอาไปลงพี่เจ้านะคะเขาก็มีจัก็พันเขาก็มีไก่ยสต์แบบเดียวกันก่ยติต้องเ้าก็ไก่ยีสต์ต้องลาวกัน นะคะแล้วว่าแล้วก็กพักายสิทธิ์กายสิทธิ์ี่กายสิทธิ์ของเราเนี่ยของเขาอ่ะลบกันจากกพัดของเขาก็จากกพัดของเราก็ลบกันลบกันนะคะนี่ก็เพิม่มเพิ่มเพิ่มอัตธรรมเพิมไธรรมก็ลบกันลบกันนะคะเนี่ยก็มเห็นวาอย่างนี้เขาเล่าอยู่ก็งพอฟังอีกพ่อท่านว่า ออผมพ่อท่านว่าไงอ้าผมพ่อก็ข้าวพี่คะแล้วอย่างฟังเรื่องที่ที่เข้านเข้าเข้าพาะนิพานนี้ไม่นด้เล่านะเล่าจองท่านอยู่ยงไงล่ะคะหลงพ่อแล้วเหนาะก็ดูพระเจ้าพระนิ พ, พานสิทําอะไรอยู่แล้วก็เข้าที่คมก็คอยว่างกันนะที่วปดูอ๋อพระเจ้าภูยริตเนเหมือนกันนะ เป็นผู้จ e ้าเวียกันบูริศเป็เวียก hmm. ันยังอมก็มีสาวกนะมีสาวกมากมายยังอ์ก็ทำลาดับไปยังอ์ก็ไม่มีนะคะนี่ก็มารางานพ่บอกพ่ว่า้าพระนทานเนี่ยเป็นยังไงยังองก็มีสาวกเยอะยังอมก็มีสาวกพอดีพอดียังอมก็มีห้าองค์หกองสาวกมีนเยอะไปเรืออะไรแล้วบอก่าย่างเชเียนตั้งสอน เกี่ยวัองสอนพอบอกไปแล้ะอันนี้ไปนี่บอกพ่อบอกวิชาพรรหัสรอันทำไมไม่เหมือนกันพ่้เราบอกหอเหมือนกันไม่ได้มันเหมือนกันทั้งหมดก็สู้พยามารก็ไม่ได้เหมือนกันหลดรู้ก็รู้ในการเห็นนี้เห็นนี้กันแพรพยามารเรับแพร่เท่านอาจา์ก็บอกไม่ทั้งหมดทาไมพ่อ องคี่เจ้าไปทานมากมายไก่กองวุยีริสทำไมไม่เหมือนกันคะมองเหมือนกันไม่ได้หรอเหมือนกันแล้วก็แพ้มาโยติเห็นตเองเรียนเองก็ไม่เหมือนกันที่เองเรือนกันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันเห็นก็ไม่เหมือนกันจะเห็นเหมือนกันลูกเหมือนกันก็แพ้มาอ่านดีไปาังนี่ค่นี่ก็นี่ก็มาถึงโยคุลิโมยธรรม วัดอาธาตนะคะพ่อจอมยามพ่อหน่อยนะน้องเขอเป็นผู่เป็นคณะภาพเาเขาอยากให้อยู่ตรงนี้ก็ได้ก็ไม่ให้อยู่ก็ได้กลัวเขาอะถ้าไม่กลัวละเขาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปใช่ไหมนะคะเขาเป่นเจ้าหน้าภาพาก็สร้างสัาแข่งลุงพ่อสร้างแข่งก็ล้วลุงพ่อยังไม่สร้างจะกลุ่มบนล่างก่อนเราย้าย้ตให้ใหญ่ต่อประเทศไทยทั้งหมด นี่ก็ผู้งญิงผูนายก็เยอะนี่นะคะก็มาทากันทําน้าข้าวหน้วข้าวก็เงินไม่ทังนะแล้วใครก็ยังมาทำบ enfin ่อยๆเลยนะคะเงินตังคะนี่ก็เขาไปหาทำกราบเรียนหลวงพ่อหลวง่อเยนทยังไงผมนี่น่ะเงินทอก็ขาแคลแล้วเวลาไม่ยอามาเฉลเ่ยให้หลวงพ่อช่วยผมได้ไหมหลวงพ่อว่าได้กิเกตันแล้วก็จะคุมาฟังนะ แล้วเจาคุณฟังนี่ฉันก็น้องไม่บอกเจ้าขาเจ้านะ ค, คุณเ่ยเจ้าคุณมีวนธรรมก็ขอถามเหญิกัลงพ่อว่าให้ลุงพ่อช่วยเงินนี้ไปสร้งางสระน้องไปชูนถามแล้วผู้ดีเจ้าหน่อยนะไปถามแบบ้นขาดให้ไปอูลถามผมก็คอยฟังกันนีลย นีน่เจ้ก็ไปอ่อชายเจ้าก็ไปอล้วไปถึงเท้าพระองค์บอกว่าลองฉัน้นท่าช่ยมามาตาเปลี่ยนแ ก, นนกาา พ, นแพระองค์ว่าเรานี้เจะคุยโมระธรรมมาขอว่าทาเห็นก็ต้นท่าต้นท่าก็ให้่าตาคูณแกพระองค์นะว่าเงินอันนี้จะเอาที่ไหนมาช่วยเขาอ่ะแล้วก็ ท่านแคไม่บอกว่าเงินนี่มาช่วยแหละแล้ว่ากเนี่ยพระนารีต้นท่าวิโตปิจารเลยให้มาถามพระองค์ว่าเงินกองนี้น่ะจะเอาที่ไหนให้เขาให้จะให้จะคุณในวุฒิธรรมนี่ถ้าว่าเอาวิจารก็ต้องรับเขาว่ะได้ในเวลาหรอกแล้วบอกว่าได้ในเวลาเราก็เงินสวัสดิ์อันนี้จะมาแค่ไหนไม่ยค่ะแล้วบอกว่าสวัสดิอันนี้ต้นท่าจะต้องการ ต้นข้าการลูกจะต้องการแล้วก็ท่านเจร่าก็บรรจัดไว้ให้ตีตีหลวงค่อจะต้องการอะไรผู้เจ้าหรือจะช่วยหรืสิจะรับอะไรแล้วอ่ะต้นวัดอันนี้เนี่ยไม่เป็นไรให้ช่วยเธอก็ทูลถามว่าต้นวัตรอันนี้เนี่ยจะมาจะไหนไพื่อจะขาดก็เลยฟังบอกให้พวะคารเปลียนฉันต่าให้บอกฉันนะให้พระคารเปลียนต้นข่าการลูก บอไม่าต้องวิสุทธิจารย์สมบัดินี้พอยคอยคนชาติาจะต้องการแล้วสมบัดินี้เนี่ยล้างไว้ให้เรามนุษย์เต็มหมดแล้วพระเจ้านะคะล้างสมบัตินี้ไว้ให้เรามนุษย์เต็มแล้วนึก ว, ว่าลทางวัดเต็มแล้วแล้วยังทายังไงเพยะค่ะถึสงสมบัติในมนุษย์ที่จะมาถึงตนองฆ่าการมนุษย์ได้แตนต้องถามว่า ให้ไว้รอก็เจ้าจคุณมีมรรธรรมว่าข่าววาตข่าววัตรวันแรกว่าให้เจ้คุณมีมรรธรรมประชุมสงในประเทศไทยทั้งหมดตลอเลยน ะ, ะให้ประชุมอ่วัดในประเทศไทยทั้งหมดให้ให้เทศใกล้มาสเดือนเนี่ยเอาวันเอาโหนแลสองโหนก็พอแล้วนะคะให้สุพารณ่ะ ลอหมดมาชมล้อเขาหมดใหุ้กพ่านบอกตามเชาบ้านนะ่ะวาจะมีเทศเก็บงินไว้ทาน อสองผลหร้อสามผลเนี่ยหรือว่าใช่ ล, ละเวรน่ะพ่อลงเนงะี น, นะฮะไอ้เจ้าคุริมุธรรมก็พอใจวาก็มาอันอหลวงว่อว่าเขียน ห, หนังสือที่ฉไปเล่าที่ฉังพูดนี่นะเขียนหนังสือที่เจ้าคุริมนุนธรรมเอาถ้ามเดีอสองเทศสองสังผลนี่และทั่วประเทศไทยแล้ววัดในประเทศไทยที่บุเน่ยที่บุนลนะทีบุ ะนะวัดิ้งบ่ไว้ตังหว่างสองสองวันลาสามวันพลาดมเหลือน้อก็อ น, ออ น, นี่เนี่ยก็ได้อิธาได้เงินอันนี้เนี่มาสร้างมาสร้างพระลาววัดมหาธาตุไงล่ะคะแล้วบอกโอ้แหมแฉันก็ได้บุญเยอะนะ <S 2> <S 2> <S 2> น, นี่ต้องไปค้นก็ต้องไปค้อนกันอย่างนี้ค้นแล้วไปถึ ง, งมูนิจา้าวยัยไปหาวัดตนทานใิในเขาวัตับ ใเข้ามาฝากทูพลพระองค์แล้วจะทำยังไงแล้วต้องซักท่านพู่กับท่านแล้วท่าไปสอนอะ้รเราเรื่องนี้อ่ะไม่สอนหรกนอกให้ไปฝ้าวพระพุทธเจ้าสิพระองค์จะทานะยากรู้ญาติไหมและวะ้และวก็ว่าเขาบอกว่านุญาตเขาเร่อ้นุญาตแล้วก็บร ะ, ะ, ะ, ระจัยจะมาอย่างไรไปอย่างไงมาเรียบหนสามสิบภาษาที่สองห้าหก ทีวันาห้าว้ามหมาอุ่มไม่เหลือเลยแบเนี้เยอะแยเลยก็วัดนึงนะคะวัดนึงก็ได้แล้วแต่ต้องไปให้ไปซ่องกันสวาสดิ์ยคุณมนธรราแลัแล้วก็ต้องไปสวายด่์้องกันพ่าประเทศไทยเนี่ยเงินจางเนี่ยเขาบอกว่าถ้าลางไว้ในมนุษย์แล้วะัวเงินเนี้ยลางไว้ให้จนธาตุจนธาตุยวต้องกาลลาว่านั่นทาให้เจ็กนี่ทีมรายงานตัวเอช่านี้เป็นยังไงนะคะ แต่เขาพาดใจอยู่สิิงแต่เดียวกันนี้เขาก็ไม่ชอบฉันแล้วตรงนั้นน่ะไม่ชอบละแล้วบอกวิชาอะไรนี่เขไม่เอาทำไมแล้วบอกว่าหนอหนอเห็นเองเลยพ่อเห็นเองแล้วบอกว่าฉันเห็นเองแล้วก็จะเอาก็เอาเธอไม่เอาเขาแบบไปทางเขาอวิ่งไปตามทำไมอยู่แล้วทาไมหนอไม่บอกเขาแล้วก็บอกว่าลูกบอกพ่อแ้วกบอกว่าเองไม่เอาค่ะทําไมหนอบอกเองไม่เอาบาปคุณ ไม่ใช่กไม่น้อยนนั่นนะาหาเหุยถาผลไปถูกวามรสงว์ของพ่อแล้วผลลั่นเยอะผย่อเยอะแล้วด้วยสิตอนหลังๆเป็นไงดีไหมตอนหลังๆที่คุณยายสอนน่ะเขารับฟังไหมอันนีก็รับเลยค่ตอนหลังรับใช่ไหมเขาาว่าน้องเห็นเองก่เห็นเองเขาไม่อยากรับไม่อยากรับก็แล้วนี่พอฉัออกแล้วพอเข้าประจําน้องไม่บอาวิชาว่างไงแล้วไม่รู้เรื่องกันแล้ว ไรู้เรื่องอะไรก็ไม่ตามมาออน้องอ่ะฉันไม่ได้ยินเองหรอกไอสิ่งพา ก, ก็มีที่พ่าเรียนก็มีอย่างนั้นนะอ่ะ น, น้องมาทาอะไรอ่ะมาจํางานแล้วม่รู้เรื่องรู้าวเร็วก็ไ่เอาก็ไมาสิเียงมึงพ่อก็ไ่เอาก็มาทาอีกสิโอ้ยนกากคุณรู้ต้อง